ต้องเรียนวิชาเชล็ดลาบคาบยาในวัตาสงสารอันนี้เช็ดแล้วไม่มาเกิดแก่เก็บตายอีกดอกเค็ดแล้วไม่มาโลกโกด๋งอีกดอกไม่มากินมาทายอีกดอกไม่มานั่งมานอนหายใจเข้าออกอีกดอกเรียนวิชาเคล็ดลาบอไม่รู้กี่ชาติกี่ภพละงิะเป็นมนุษย์เนี่ย ยังไม่มีคิวอ่ะถ้าโสดาบันเป็นผู้มีคิวแล้ ว, วเอ็นสุขในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์เป็นสุขก้าวหนะ้าแต่ละวันละบาดก็มีเมตตาหมดไม่ให้เบียดเบียนกันเพราะเป็นคู่กับศีลตัวปนานาเมตตันากาสัพโกรกะเตมิงมานาะสัมพาวเยปริมานะ พุทังอโทจะตี hmm. 是是่มจะอาสามปาทางเวรังตะพัังที mm ่ท hmm. yeah. um, ่านจะรังในสิโนอาทิาโนะยวตะสาวิ์กตมิโตเอตังสตเงยิธิยะทำมาเมตังวิหารังทิธรมาหุผู้เจริญเมตตายืนอยู่ก็ดีนั่งอยู่ก็ดีนอนอยู่ก็ดีย่ไม่หับเพียงใดทังเมืองเวืเอง่ํมเวงขวางสังกาตลอดทึงสิ่งที่มีวิญญาณของสิ่งที่ตั้งใดกคาจงเป็นจุกแมพระพุทธก็ทำประสงฆ์อยู่ตนันมีคมาณนั้นถืด ทังเมืองบนเมืองต่ำเมืองขวางสถานกลางตลอดทั้งสิ่งที่มีวิญญานของสิ่งที่สร้งไตโลกธาจมป็นสุกใน่วุฒระธรรมประสงค์อยูุ่กงนั้นมีประมาณนั้นเตือนถ้าเป็นสุกแม่พุฒิประธรรมพระสงค์แล้วจุกอื่นไมีได้ดินมทั้เถมันเป็นเครื่องดึงดูดมาเองไม่เหมือนสุกในโลกีสุกในโลกุตละเป็นเครื่องดึงดูดมาเองอันอื่นได้เป็นสุกเก้าหน้าเองด้วย ชุขในอามิรแต่ว่ากิเลสเต็มพงอยู่มันก็สุขภายหลังเพราะกิเลสไม่เบาเขาก็มาถามหลวงปู่เหมือนกันทำไมหลวงปู่ศีรันช่างมากแท้หมดมงนหลายๆ ล, ล้านมหาวิทยาลัยก็ไม่เท่าแลวงปู่ก็ตอบว่าเออถ้าสำคัญเราเป็นทรัพย์ของหลวง ปู่ศีความขี้หึงของพวกเรามันก็มีถ้าซื้อเป็นทรัพย์ของพระพุทธศาสนาความขี้หึก็ไม่มีถ้าถือเป็นของหลวงปู่ศีหรือท่านอาจารย์ศีหรือหลวงพ่อศีหรือหลวงตาศีปัญหามันก็มากถ้าซือเป็นทรัพย์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาพระองค์บรมศาสตราก็ยืนยันว่าสังหารนี่มาซัพบก็ดีอสังหารนี่มาซับก็ดี เม่เท่าทรัพย์พระพุทธศา ส, สนาดอกไม่เท่าเชี่ยวเดียวของพระพุทธศา ส, ส น, ดในใาดอกแมแต่โลกธาตุเป็นทักยของพู้พุทธศา ส, สนาหมดพระคายเลยพระวางเลยถ้าเราถือเป็นทักร์โลกปูสีปัญหามันก็มากพราความชื่นหึงก็ต้องมีอีกเออถ้าอย่างนั้นก็หรือฉันก็หายความสงสัยไปหมด <c oughs> ยอมยกตรงขาวเลย เราก็ล่วงไปด้วยนาฬิกา ก, าก็ล่วงไปด้วยชีวิตของเราก็าล่วงไปด้วยแต่ว่าสินธรรมไม่ล่วงไปไหนมีอยู่ทรงอยู่ในจิตในใจเแตยว่าชีวิตทัศไสายล่วงไปนาฬิกาก็าล่วงไปเหมือนกันเพราะนาฬิกาเดี๋ยวนี้ก็เก่า เอากว่าในเช่าเช่า น, นี้ชรตาความสุดโรมกว่าเมื่อเช่านี้อันเดียวกันหมดนี่อันนี้จังเป็นเป็นตำรวจทหารกองปราบอยู่ในโลกเนืใต้โลกท่าเทียบปราบหมดไม่ลำเอียงไม่มีคอรับชั้น ทุกยอมญ่าเลยไม่มีที่ซ่อนตัวพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาหรือตํารวจอนิจจังตํารวจทุกขังตํารวจอนาตาัตตาตํารวจเกิดขึ้นแล้วแปลปวงนตัตแจกถลายก็มีอันเดียวกันเทียบปราบหมดปราบอยู่ไม่มีกลงวันกลางคืนไม่ลงธรรมะอีกด้วยนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งที่ลงธรร ม, มาะความแก่ก็แก่อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนไม่ลงธรร ม, มาะในสกคนละการ ความเก็บก็เก็บอย่าไม่มีกลางวันกงคือไม่ลงธรรมะในสกลลกายความตายจากเช่าสายบายเที่ยงก็ไม่ลงธรร ม, มา ต, ตายจากวิถนาทีนั่นมีนาทีนี้ขณะจิตนั้นขณะจิตนี้ก็ไม่ลงธรรมะแต่เราจะรู้ตามเป็นจริงหรือไม่ปัญหาของมันถ้าเราไม่รู้ตามเป็นจริงเราก็จะมีแต่หลงคนหลง บ, บวกบวกบวกคูณบวก บวกบวกไปในทางหลงคูณไปในทางหลงถ้าเราไม่รู้ทำจริงถ้าเรารู้ทำเป็นจริงแล้วก็จะไม่คูณไปในทางหลงจะแก้ปัญหาของตัวในง่ายวา่าป่วยเน่าในทสักย์กรณาการของพวกเราลองทำรรมาหรือไม่ที่สมมติว่าเราเราไม่ลงท ร, ร ม, มาจริงยังไม่มีกางวันกลาคือ ทีนี่น้าพริกเขาเรียกว่าปนภาคอีสานปนมะเขือกับปนปลานี่เอาใสา่ใส่กันได้หรือไม่กาบเรียนหลวงปู่มัน่นเออก็ใส่ลงไปนั่นเถิดมันก็จะลงไปเน่าไปเหม็นอยู่ที่ลำไส้แห่งเดียวนั่นแหละลูกหลานเอ๋ยห <laughs> ลวงปู่มัน่น พูดได้มีไม่ไม่มีที่จะแสงคำ ว, ว่าเรามาสาธาดามบวชมาห้าวันอิมอ่มอิ่มอกอิ่มใจเราเน้พักแอกออกจากบ่าจากทางทางฆรวาสแล้วพักงานออกจากบ่าเลยสบายใจมากแต่ยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้า แต่ถือวเป็นของสบายแล้วอิ่มอกอิ่มใจไม่ชั้นอาหารถึงห้าวันเระบเรามาศาสตราบวชมาใหม่แต่วพวกเราบวชมาหิวแต่อาหาร <c oughs> ไม่มีปีติเสียเลย <c oughs> ว่าจะได้ธรรมะวิเศษ มาสั่งสอนพวกเราเออรอดร่มรอดตายพเพราะบรมศาสาดาพวกเรามันล่างมือเปืบสนเท่นทุกวันนี่มันบุญวาสนามกากพระบรมศาสดาถ้าคิดไปให้ละเอียดแล้วก็คาา่าคยก็ ว, ว่าองค์ท่านเป็นขี้ข้าพวกเราไปชอบหาธรรมะมาให้แต่ว่าพวกเราไม่เอาเขาเป็นความผิดของพวกเราอ่ทีนี้ถ้าพิจนาหยายยบ ถ้าพิจาจนาอย่างละเอียดก็ไม่ใช่คิดค่าทรงพระมหาเมตตาถ้าพูดอย่างผิวเผินคิดคยๆกับว่าองค์ท่านเป็นคิดค่าพวกเราสร้ามบารมีมาไม่รู้ว่าเกี่อสงไขยถึงอย่างนั้นก็พวกเราก็ยังบอกดื้ออยู่ยังว่ายังถือว่าตนฉลาดกว่าท่านอยู่นั่น <c oughs> <c oughs> ยังไม่ยอม ยังต่อสู้อยู่ออยังไม่ยอมยกสงขามเนี่ออนที่ซื้อไม่มีบาวไม่บุญเออเห็นพระมันก็ไม่ปีกมันสร้างใส่มัน เ, ออเห็นคนแก่มันก็ไม่ปีกเหมือนกันชนเลย ไปเลยนะมันก็ของใครของมันกรรมวุณีนาวตัตถิโลโกทั้งโลกเป็นไปตามกรรมของใครของมันกรรมเป็นเครื่องตัดวัตฏะไม่ได้กรรมในฝ่ายกุศลก็บัญญัติถึงพระอนาคามีเท่านั้นจะบัญญัติถึงพระนิพพานไม่ได้กรรมในฝ่ายกุศลกรรมในฝ่ายอากุศลก็บัญัติเพียงมหาวิจีนะลก หรือโลกันตะนรกเท่านั้นจะบรรยัติไปอีกไม่ได้เนื่องจานั้นกรรมจึงเือนเครื่องตัดวัฏไม่ได้กุศลกรรมก็เป็นหนทางเดินเพื่อไปสู่พระนิพพานเท่านั้นเมื่อถึงพระนิพพานแล้วก็ทิ้งทิ้งทั้งบุญทั้งบาปเลยไม่ทิ้งมันก็ทิ้งเพราะมันเต็มแล้ว เหตุทนจึงว่าอย่างนั้นพระบาปก็ละพอแลว้วบุญก็สร้างพอแลว้วไม่มีอันใดบกพร่องก็เลยไม่มีเหตุที่จะสร้างบาปก็ไม่มีเหตุที่จะละบาปทีนี้ผลของการสร้างการละก็ไม่มีเพราะเต็มแลว้วเหตุก็ไม่มีผลก็ไม่มีเหตุที่จะสร้างบาปก็ไม่มีเหตุที่จะสร้างบุญก็ไม่มี เหตุที่จะละบาปก็ไม่มีผลที่จะได้มาจากการละบาปก็ไม่มีเพราะมันละพอแล้วมันเต็มแล้วเหตุที่จะสร้างบุญก็ไม่มีเพราะเหตุที่สร้างบุญมันเต็มแล้วผลก็เต็มแล้วเหมือนน้าเต็มตุ่มเต็มไห่เหตุที่จะกักใส่ก็มีผลที่จะรับน้าไว้อีกก็ไม่มีนันเดียวกันแต่ เ, เราวพ้องทางดีอยู่เราก็สร้างกันตะพื้ละที่นี่ เอนี่ยเดี๋ยวก็ทำมาทำมาเท่านั้นหละถ้าพิจิตสงศ์แต่ละองค์ละองค์ก็ทำม า, ท, าทำมาทมา่า น, นไม่ได้ทำมาเฉยๆเราก็ต้องเอาหน้าอามรมณ์ไปถวายด้วยทำมาเอาหน้าอารมณ์เอาตังค์ด้วยแต่ว่าเอาไปเอามาก็ตายเหมือนกันน่ะพระเจ้าก็สงศ์ น่อแล้วไม่ยินดีในเกิดก็คือไม่มียินดีในตายเราไม่สร้างเกิดก็คือเราไม่สร้างตายก็คือคือเราไม่สร้างแก่สร้างเก็บสร้างตายถ้าเรายินดีในเกิดก็คือยินดีในตายก็คือยินดีในแก่ในเก็บในตายอยู่ในตัวถ้าเรายินดีใน ในโลกก็ยินดีในโกรธในหลงอันเดียวกันถ้ายินดีในศีลสมาธิปัญญาก็คือยินดีในกองดับเพลิงยินดีในห้นทางเข้ามารผลในพานคำสอนใดๆในไตรรุปธาตุเออไม่เท่าเสี้ยวคำสอนของพระพุทธศาสนาโด คำสอนในใจโลกธาตุเท่ากับเม็ดนาคำสอนของพระพุทธศาสนาเท่ากับแผ่นดินและภูเขานี่มาอะไรนี่น่านักกว่ากันถ้าจะเทียบในทางละเอียดก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีอันไรจะละเอียดเทา่าถ้าจะเทียบในทางสูงก็ไม่มีอันไดจะสูงเท่าถ้าจะเทียบในทางลึกก็ไม่มีอันไดจะลึกเทา่า ถ้าในจะเทียบในทางคมทางแหลมก็ไม่มีอัะไรจะคมจะแหลมเท่าถ้าจะเทียบในทางน้ำหนักก็ไม่มีอะไรจะหนักเท่าเหนือไปหมดเรายินดีในพระพุทธศาสนาเพียงไหนเราตอบเราได้หรือเราสงสัยเพียงไหนเราก็ตอบเราได้เพราะเรามีสิทธิ์ถ้าเรายังยินดีในพระพุทธศาสนายินดีในพระวะปฏิบัติเพื่อคนทุกข์ในวัฏสงสาร ก็ให้ทราบเผิดว่าบารมีของเราเกียล้ามาแล้วมันเป็นเคื่องทดสอบทั้งสังขถ้าเรายังเพื่อเพลินในวัฏสงสารเพื่อจัดแข่งดีเแข่งชั่วเขาเขาอยู่ก็ให้ทราบเถิดว่าบารมีของเราก็ยังอ่อนอยู่บ้างถ้าเรานยังหนักไปไงทางการมวิตกพยาบาทวิหิวิตกวิหิงสาววิตกอยู่ก็ให้ทราบเผิดว่าบารมีของเราก็ยังอ่อน เราจงเรียบเร่งสร้างบารมีเขาสร้างลงที่จิตที่ใจเพราะในไปยืมใครมาสร้างภาวนาไปสาเร็จด้วยการบริการอคด้วยการภาวนาศีลทำไมัยเราสาเร็จด้วยการรักษาศีลเพราะไม่ได้ไปยืมศีลใครมารัษาเพราะไม่ได้ไปยืมภาวนาใครมาเาราไปยืมของเขาเก่งเขาอ่ะเออคุณเอาอนันของผมไปของดีฐานไปของข้าไป ของเองไปทําไมถึงนานเอามาส่งแท้ยืมพุทโธเราไปภาวนายืมลมหายใจเข้าออกเราไปภาวนายืมรางกระดูกของเราไปภาวนาทําไมถึงไม่เอามาส่งเราเขาก็ไม่ได้ว่าเรามีอิสระอยู่บททําเวลาไหนได้ทั้งนั้นยืมลมหายใจเข้าออกเราไปแล้วทําไมถึงไม่เอามาส่งเรายืมร่างกระดูกของเราไปพิจารณาแล้วทําไมถึงไม่มาเอาเอามาส่งเรา ยึมพุทธัวเราไปแล้วทำไมถึงไม่เอามาหาเราเขาไม่ได้ว่าอยู่กับเราหมดอริยธรรมเมตโตนะโรอริยธรรมคือทํามันประเสริฐที่นอนละชนที่เขาเขียนไว้ในโลกทิพสิโตนะโรมันไม่ถูกเขาเขียนผิดทิตถอฐานทิโตแปลว่าตั้งอยู่นะโรแปลว่านอนละชนเขียนภาษาเขาแล้วเขาก็มันดแตกฉานไป ข้าวาลีเข้าเช่นไปทำมาสระก็โลกทิพทำทิพใจทิพใจเก็บตายก็เป็นของทิพเหมือนกันแต่ว่าทิพไปในทางทุกข์บาปก็เป็นของทิพแต่ว่าทิพไปในทางทุกข์ไฟก็เป็นของทิพไปกรรมฐานมัน กรรมวันนี้มันก็เป็นของทิพย์มาให้วันนี้กรรมเดี๋ยวนี้กอบรอดเดี๋ยวนี้เป็นของทิพย์เดี๋อาทิตย์ไปในทางทุกข์ทเว้นก็เป็นของทิพย์เหมือนกันก็ไม่เห็นรอดในเรื่องไฟไหมที่พวกเรานั่ ง, งเล่นอยน่นี้นั่นเป็นของทิพย์เหมืกันก็เป็นของทิพย์เหมือนกันถ้านี่ยพานมาในบัญญัติว่าทิพย์มันเหนื อ, อทิพย์ไปเลยไม่สมฐานะ ความเยินดีในพันธทานขณะจิตเดียวขณะความยินดีในโลกทั้งปวงตั้งล้านลานขณะจิตความยินดีในทางออกจากวัฏจัสงสารขณะจิตเดียวยังยั ง, ยงมีคุณค่ากว่าความเยินดีที่เพลิดเพลินในวัตจัสงสารอยู่ตั้งล้านลานขณะจิตความเลื่อมใสในพระพุทธรรมประสงค์มรรคา槃ขณะจิตเดียว ยังดีกว่าความเลื่อมใสในศาสนาอื่นๆั้งล่านๆขณะคิตไม่ได้พูดเข้าข้างตัวพูดเข้าข้างธรรมพูดตามเป็นจริงเห็นไทยในวัฏสงสารขณะคิตเดียวยังดีกว่าเห็นเพลในวัฏสงสารล่านๆขณะจิดมันพ็สักปัญญาวิเศษ ถ้าไม่มืดม้าเกิดแก่เก็บตายในวัฏฏาทุสานก็ไม่มีวิชาเค็ดลากเออถ้ามีสิ่งที่สมประสงหมดมันก็ไม่มีวิชาเช็ดลับมันไม่มีสิ่งที่สมประสงหมดมันจึงมีวิชาเช็ดลับถ้ามันสมประสงหมดแน่ใครจะเอาเช็ดลาก ม, มาจากประตูไหนเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็ด ไ, ไม่ตายประเทศจีน ก็มีคนในเมืองหลายพันล้านสองพันหรือหนึ่งพันล้านก็มีเท่าไรล้านก็ก็ตายเท่านั้นล้านออืคนเกิดมามันมีมากทุกวันนี้มันก็เกิดมาเพื่อตายเหมือนกันใบไม้มันดอกนานมันก็เพื่อจะหล่เหมือนกันเรามีเงินมากก็มากเพื่อจะใช้มากเหมือนกันไม่พอใช้อีก เราหนักแข็งลงหนึ่งยังไม่พออยากได้สองือ3หาือ4้ัีก็ตัวทดนั่นเห็นไหมน่ะยังไม่พอเมืองพอไหวมีเพราะรหันถึงเมืองพอแล้วเราจะเรียนวิชาให้เมืองพอให้ถึงเมืองพอแล้วอิ่มแล้วพอแล้วคลายแล้วอาเจียนออกแล้วว่าอย่างนั้นใจลูกระทาอืม ทายถอนคืนแล้วอไอยจ่ากโกปจินิสโกจะถอนคืนหลงทางพระทางนี้แหละยิ่งไปก็ยิ่งหลงจะถอนคืนมาริมสลักเขาตีลงแล้วจะถอนทะลุไม่ได้แล้วต้องถอนคืนมาทางนี้ถอนตะกูก็เหมือนกันถอนนั ก, ก็เหมือนกันตะปูก็เหมือนกันแล้วหลงเข้าไปเท่าไหร่ได้แล้วก็ถอนออกมาเท่านั้น แล้วลงโรวงเราก็ถอนคืนแล้วลงเกิด wow ล้วก็ถอนคืนแล้วลงแก่ล้วก็ถอนคืนแล้วหลงเจ็บแล้ก็ถอนคืนแล้วหลงตายแล้วก็ถอนคืนไม่ยินดีในตายก็คือไม่ยินดีในเกิดคือไม่ยินดีในแก่ในเก็บนั่นเช็ดลาบเอาหน้ามาให้ดิฉันบ้าไม่ส้องคันนะเอาหน้ามาให้ดิฉันบ้ามาเช็ดอุททะให้บ้า จะขอบพระคุณมากมาเช็ดปัสสวะให้บ้างเอาหน้ามาไฮกิ๊บบ้างไม่สำคัญนะสำคัญตอนที่พูดก็พูดไม่ออกอพลิกก็พิกไม่ได้อันนี้สำคัญแลนะ่เออสำคัญมากทุกแนวไตรสทาสมารวนอยู่นั่นนะ่ะ ยาจะพิกก็พิกไม่ได้เพราะไม่มีกำลังยาจะพูดก็พูดไม่ได้เดี๋ยวก็เฉลยกว่าขึ้นมาพันนี่นะพูดก็พูดไม่ออกจะบอกก็บอกไม่ได้ในเวลาที่บอกอยู่นั่นบอกได้อยู่หิวน้ำก็บอกน้ำหิวอะไรก็บอกอะไรไม่สำคัญตอนที่บอกไม่ได้ตอนที่บอกไม่ได้ไ ม, ไดมีแต่ลมหายใจเขาออกตอนนี้สาคัญมาก อยากพลิกก็พิกไม่ได้ปวดแข่งปวดขาชารพัดนอนจมขี้จมเยี่ยวอยู่ออโอ้ยอุจจาระออกแล้วปัสสาวาออกแล้วมาช่วยเช็ดให้ด้วยบอกว่าถูกไ ม, ไ, มไม่ออกเลแล้วตรงนี้กลงก็ตายคาขี้คาเยี่ยวตรนี้พลิกพลิกถูกไม่ถูกก็ไปกันใหญ่ละตรนี้นั่นตอนนี้สำคัญมาก นะนั้นจึงทักภาวนาเตรียมไว้จะต่อสู้ในเวลาจนจนมุมเวลานั้นแะจนมุมที่สุดแล้วต้องได้ผ่านหมดแะถ้าผู้ใดก็ต้องผ่านหมดจนมุมเต็มทีอะตอนนั้นพระยทุ่มเทความเบื่อหน่ายคลายงอในวัฏฏะสงสารก็สนุกทุ่มเทเหมือนกันเพราะพระธรรม พอพระธรรมมาโทษจะมาแสดงให้ฟังอย่างกันหนักๆละนะ่ะกันเทศหนักกว่กันนั่นกันที่เราพู่อย่างนี้เนี่ยมันกินได้มันนั่งได้มันถือเป็นของสนุกอยู่ตอนนั้นอ่ะกันเทศตอนตอนนั้น่ะจะได้ผ่านจะได้ฟังกันน่ะเ อ, อจะได้ฟังธรรมเทศนาพระธรรมทูตตอนนั้นเตรียมตัวไวด้ดี <c oughs> เตรียมตัวไว้ดีๆละออ ไม่รู้ว่าเยี่ยวไม่รู้ว่าอุจจาระไม่รู้ว่าเหงื่อว่าใครละอถึงที่ถึงถึงกันละจนกอกจนมุมละอัตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่ทําเอาซักตายแล้วยเขาเอาไปเผาที่ไหนก็ตามเถอดเอาขาซบก่อนตายขเขาซบกิเลสกัน ถ้ากิเลสของเรายังหนาแ น, น่นอยู่เราตายไปตรงนรกอย่างนี้เราตายเป็นไปเป็นสัตว์สังขานอย่างนี้ผู้อยู่ข้างหลังท่านทาบุญหานเต็นเผ่นผ้าแผ่นดินเราก็จะได้รับหรือทีนี้ผลชุดท่าก็คืนตระหารผู้ผู้ทาเท่านั้นถ้าเราตายไปสวรรค์เทเรลก็ไม่ได้รับอีกถ้าเราตายไปไปปฏิสนที่ในโคในกระบือเราก็ไม่ได้รับอีก เขาลตายไปไปไปชีสนที่ในฟองไข่เราก็ไม่ได้รับอีกพอึ้นลมพายมาก็ไปเลยเพราะพูยังไม่พ้นทุกเพราะมันเหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันเขาเขามีสุขติเป็นที่ไปผูกขาดเลยเขาไม่สงสัยนะากากับพระโสดาบันลงมามันก็หลายบางทีบางทีเวลาจะตายแล้วลึกถึงทานศีล ค, ความาของตน น้าก็ไปเกิดในสุขติบางทีไม่แ ล, ลึกถึงก็ไปเกิดทุกขติถึงหมดอันนสอทุกขติแล้วขึ้นมาหาสุขติมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนพระโสดาวันพระโสดาวันจะจังไงก็ออกตามขึ้นลมปานเวลาไหนก็ไปสุขติเลยพระช า, าคาคานีก็เหมือนอันนาคามีก็เหมือนกันส่วนพระอรหันต์เข้าสู่อนุกานที่เสด็จนครานเลย จะตายด้วยวิธีไหนก็เข้าสู่อนุปาลทิเศสนิพานจะตายหงแต่หาอะไรก็ตามเถิเดจะตายดิบๆสดๆก็ตามเถิดพระอรหันเข้าสู่อนุบาลไปเลยนี่แง่เดียวเท่านั้นเข้าสู่อนุปาลทิเศสนิพานไปเลยอันนี้สําคัญมากอาสัญญกรรมก็มเมื่อเกินเทียมจะตายสําคัญ เวลาใกล้จะตายปรากฏไปเห็นแสงไฟแดงโลกก็ดีกำลังเห็นอยู่นั่นจิตยังไม่พิิกไปทาอื่นก็ทิ้นลงป้าก็ไปตนกนรกคติเวลาใกล้จะตายนีไปปรากฏเห็นพันมันดา ว่าก็เห็นอยู่ในขณะนั้นยังไม่ได้พิชไปทางอื่นก็สิ้นลมปราณก็ไปเกิดในคันมันดาเวลาใกล้จะตายก็เห็นฝ่าไม้รือท่านา้ากาลังเห็นอยู่นั้นแต่ก็สิ้นลมปราณในขณะนั้นคิดยังไม่ได้พิชไปทางอื่นก็ไปเกิดเป็นจัต่ิฐานเวลาใกล้จะตาย ไปเห็นที่มืดมนอนทการมองไปไหนก็มาเห็นมืดเลยในเวลาที่เห็นอยู่อย่างนั้นละ่ะปรากฏเห็นอยู่อย่างนั้นละ่ะในจิตในใจปรากฏเห็นอยู่อย่างนั้นยังไม่ได้พลิกไปทางอื่นคากันอยู่แล้วก็ทิ้งลมปราณในขณะนั้นก็ไปเกิดปเป็นเปรตเวลาจะตายไปเห็นวิมานไปเห็นเทวุบธเทวดาพอเห็นอยู่อย่างนั้น หยัยังไม่เสื่อในทางอื่นก็ทิ้นลมปราณในขณะนั่นก็ไปเกิดเป็นเ ท, เทวดาเป็นโอปปาติกะเกิดขึ้นส่วนพระหัต์ไม่เป็นอย่างนั้นถึงเวลาใกล้จะตายก็มาเห็นกายอยู่ขณะคิดหนึ่งแล้วก็ไม่ยึดถือทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่สัมพันธ์ตัวว่าอยู่ในที่ใดๆทั้งสิ้น แล้วก็เข้าสู่อนุปาทิเสฉะนี้ฌานไปเลยนะเพราะไม่สําคัญตัวอยู่ในจิตเพราะไม่สําคัญว่าจิตอยู่ในตัวไม่สําคัญตัวอยู่ในปูรูไม่สําคัญว่าภูรูอยู่ในตัวเรียกว่าดับจริยมรกายจิตเหตุจิตผลจิตดับไปเฉลี่ทีนี่ ก็ไม่มีญาณปฏิสนิดใดๆก็เข้าสู่อนุกาที่เชื้นิพันเพ่งทำอันไม่ตาเรหานไม่ได้หอบสมาธิไปด้วยไม่ได้หอบปัญญาไปด้วยไม่ได้หอบผู้รู้ไปด้วยถอนคืนหมดถอนบางสกุลให้ชาวโลกแย่งกันเศษของของท่านเระหานไม่ได้ติดอยู่ในผู้รู้ ถ้าพระอรหันต์ติดอยู่ในผู้ลูกก็มีทิฏิมานะก็ต้องมีแขนดีอีกนั่นเองพระอรหันต์าาไม่ติดอยู่ในผู้รู้ผู้ลูกไน้อดีตอนาคตปัจจุบันพระหันไม่ได้ติดอยู่เป็นสักวารู้เป็นจต่สักวาเห็นไม่ใช่าสตร์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่สักวาสังขาร ท่านไม่ได้ติอยู่ในเหตุในผลใดๆทั้งสิ้นเมื่อท่านไม่ติอยู่ในเหตุในผลใดๆทั้งสิ้นท่านก็ไม่มีการรักษาเพราะมันไม่มีโทษจะรักษาอะไรอขณะคิดของท่านไมามีโทษท่านก็ไม่รักษาเนี่ยไอ้พวกเราถ้าไม่รักษามันมีโทษจริงๆนั่นเพราะท่านไม่ไม่กลัวแพ้กลัวชนะเลย เขาไม่อะไราในการแพ้าการชนะแล้วเพราะไม่อะไราในสุขในทุก ใ, ในอุเบกขาที่อันทวิบากตรงอยู่แล้วพระละหันไม่ประจิตอยู่ในอุเบกขาไม่ในประจิตอยู่ในสุขทุขที่อิงขันทวิบากนั่นอุเบกขาที่อิงขันทวิบากพระละหันไม่ประจิตอยู่ทุกที่อิงขันทวิบากพระละหันก็ไม่เป็นประจิตอยู่หมอให้สังขานหมด ถอนเืนจาโกโปรเนิสจะโกให้ฉันสารมุตต anyway. ิอนาระโยไม่อะไรทั้งศุขทั้นทุกข์ตั้งอเบขาเมื่อสําคัญตัวว่าอยู่ในโอเบขาเมื่อสําคัญตัวอยู่ในทุกเมื่อสํำคัญตัวว่าอยู่ในสุขเมื่อสําคัญตัวในที่ใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่สําคัญตัวว่าอยู่ในที่ศูนย์ศูนย์ฉันสารอีกด้วยวิญญาณมาที่สันติกระจกกันเพียงนั้นท่านก็เข้าสู่อนุกาวิเศที่มุขานไปจ้า ที่อาศัยสมาธิสมาบัติเป็นเครื่องอยู่ในเวลาที่ยังไม่สิ้นลมปาณก็อาศัยเรื่องขันธิบาร ก, กเฉยพอเป็นอยู่เป็นที่อยู่ของขันธิบาร ก, กเฉยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ว่าจะอาศัยเพื่อละกิเลสไปอีกพอละหมดแ ล, ล้วเส้นเจริญเมตตาก็เจริญรนล้วนไม่อาศัยเพื่อจะ ให้เมตตาช่วยละความโกรธเพราะหายโกรธไปแล้วเดินทำร่วนสมาธิะสมฌานทุกฌานเชานกันกันเข้าเป็นธรรมเนียมที่เฉยไม่ได้หวังเพื่อว่าจะติดอยู่รือยพื่อจะละกิละเละพอแล้วเพราะท่านพ้นไปพอแลว้วพ้นจากความลงทังกงตน เพราะชนะสงครามหลงของตนแล้วเราก็ต้องมุ่งไปอย่างนั้นถ้าไม่มุ่งไปอย่างนั้นไม่ปฏิบัติอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกเอมอ ม, มันก็เป็นเถสสองบาทเห็นท่านสองก็สองไม่รู้ว่าท่านสองอะไร <laughs> <laughs> เห็นสองบ่อย รั่วโลกอันนี้ไม่ใช่ของใครล่ะมีแต่สังขารมีตะกองทุกเนี่ยไม่เป็นของใครมาอาศัยชั่วคราวเฉยๆแต่ว่าเมื่อกี่เดือนจงไม่พ้นมันก็ไม่ใช่ชั่วคราวอีกแ๋ยวมันก็เกิดแก่เก็บตายวนเวียนกันอยู่นี่คํามาชั่วคราวไม้ควางมาชั่วคราวแต่ไรค่า าลาลดาบทุตกะดาบทแปดมืนสี่พันกับอานิสสงชาญถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อำนาจอันิี้จังเพราะยังไม่ถึงพระโสดาบันเพราะยังเป็นโลกีเพราะเหตุนใดนท่านจะเป็นโลกีขาดทำอะไรกขาดการถึงไตสรณะคมเพราะถือเป็นนัทิลือีถ้าหากว่า ยอมตัวถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เสียแล้วมันก็ไม่สวดิ์วันก็จสกทาคานีก็พระอรหันต์เพราะเป็นอัญญาสัตุเทศอย่างถือลัที่อื่นศาสนาอื่นอยู่ไม่ยอมไม่ยอมเข้าหาพระพุทธศาสนาะตอนสมาธิสมาบัติเก่งอยู่เมื่อไม่ยอมเข้าหาพระพุทธศาสนาะการพึ่งกนนนันอาณาตามันก็ไม่ไประจา่า ยังถือว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขายังถือว่าอายจินจัญญายัตนะเป็นเราเราเป็นอายจินจัญญายัตนะอยู่ยังถือว่าเนวะสัญญายัตนะเป็นเราเราเป็นเนวะสัญญายัตนะอยู่ยังถือว่าพมโลกเช่นนั้นเป็นพระนิพพานอีกด้วยนั่นแล้วปติเวียนที่นั่นหมดอนิสงส์ก็ลงมาเกิดอีกสามารถเป็นโคเป็นกระบือสามารถเป็นมนุษย์สามารถเป็นเทวนาแล้วแต่กรณีของกรรมเก่าที่นําผูกพันมาอีก กรรมเก่าแต่พบ ก, ก่อนเมื่อปัจจุบันน่ะพบกระดีเพราะกรรมบางอย่างให้ผลในพบนี้แลในพบหน้าให้ผมเจอในพบตืดๆให้ผลเป็นลําดับ ก, ก็มีตามหลังเรามาเป็นกลุ่มๆเทีเดียวกรรมผลของกรรมไม่รู้ว่ากรรมเก่ากรรมใหม่ส่วนพระรหัตถ์มันมีกรรมใหม่ใช่ล้วกรรมเก่าตามมาถึงมันก็มาถึงแก่สังขารมันไม่ถึงพระนิพพานเออ กรรมอะไรจะไปตามถึงพรนิพพานได้ก็มาถึงแต่สังขารเท่านั้นสังขารท่านทิ้งไปแล้วมันเป็นสังขอนแต่แรกก็มาถึงแต่ขอนมาทุกตีขอนเจ้าของไม่มีในหัวในขอนจะเอาไฟสูญเพียงไหนก็าตามเพราะมันมีเจ้าขอ ง, ห, งหัวแหงแล้วขอนสังขารอันนั้นมันก็ไม่โธ่ใครจะไปสุมไปเผาพระนิพพานได้ใครจะไปฆ่าพระนิพพานได้ไมันมีรอกเขาตาม เวไรไภทั้งหลายก็ตามเรียนกันอยู่ในใจโลกธ า, าตุจะตามออกหาพระนิพพานมันตามออกไม่ได้หรอกไปตามถึงพระรหันต์ก็ตามไม่เห็นถ้ามันมีรลก ม, ม, มันมีกฎมันมีหลงมันมีเอะอดีตไม่มีอนาคตมันมีสุขมันมีทุกข์ไม่ติดอยู่ในสุขทุกข์หรือเบี้ขาใดๆทั้งสิ้นใ น, ใ น, ในตจโลกธ า, าตุมันเป็นสุขคือนอกเหตุนอกนอกผลไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ใช่สุขเชื่อมเชื่อมมาจากเหตุของโลกสุขในพระนิพพานเป็นสุขเป็นเอเย็นอยู่แต่ลใดๆแล้ว ไม่ไปได้เป็นเมืองขึ้นของความสุขทางอื่นนั่นไต้โลกท่านเป็นเมืองขึ้นของความสุขซึ่งกันและกันมันโยงถึงกันอยู่อันนั้นมาไม่ได้ไม่มีสิทธิ์จะโยงกับใครไม่สังข้องกับใครลเลยอันนั้นเพราะพอหมูแล้วถ้าจะเทียบเป็นม่านเป็นเมืองอย่างยางยก็ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นกับใคร แล้วมันมีโจรผู้ร้ายด้วยไม่มีรักจกจกห่อโรคด้วยนม่มีแก่ไม่มีเก็บไม่ ม, ม, ม, ม, มีตายด้วยบ้านอันนั้นเมืองอันนั้นถ้าจะเปรียบของยำยากนี่น่จะทุกข์สิ่งเดียวทุกข์ไม่มาเกิดมาแก่มาเจ็บ ม, ม, มาตายทุกข์ไม่มาโลคมากวดมาหลงทุกข์ไม่มากินมาทาย ทุกคน ม, มาเก็บมาปวดทุกไม่ได้หายใจเข้าออกทุกไม่ได้นึกคิดความนึกคิดมันเป็นทุกข์แกตายอืม <laughs> ทาไมถึงนึกคิดเพราะยังไม่พอเพราะนึกคิดในทางกุศลอยังไม่พอมันก็ต้องนึกคิดเมื่อมันพอแล้วมันก็ไม่ติดอยู่ในนึกคิดอีกพระอริยเจ้ามาติดอยู่ในนึกคิดนึกก็เป็นแต่สักว่านึก ไข้ไข้ก็มีเถือนน้ํามันไม่มีรอยหรือนกบินในอากาศมันก็ไม่มีรอยไข้ไข้กระปลายเกแหลมอีกด้วยไม่เก็บพันผั ก, กาดไว้ทนิพานมีอยู่ทุกลมปาราณก็ทำอันไม่เกิดไม่นับ ก, ก็มีอยู่ทุกลมปาราณถ้ามันเกิด อ, นอนันดับก็มีอยู่ทุกลมปราณทางขานทางก็มีอยู่ทุกลมปาณ ไม่ใช่อันสาคาญทำเป็นไม่สังคารก็มีอยู่ทุกลมปราศเพราะไม่สาคัญเราตั้งอยู่ในที่ไหนเมื่อไม่สาคัญเราตั้งอยู่ในที่ไหนคนอื่นจะไปคัดข้องมันก็ไม่มีประตูจะคัดข้องชิงกันอื่นจะไปคัดข้องต่อพระนิพพานก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มีสิ่งที่จะไปคัดข้องเพราะไม่สาคัญตัวว่าอยู่ที่ไหนออ ก่อนที่พวกเราจะคัดข้อกันก็เพราะสําคัญตัวอยู่กรุงเทพบ้างอยู่ภูจะก็ตบ้าก็คัดข้องกันนี่ของกูให้กูบ้างก็มีคนนึกอยู่อย่างนั้นเมื่อสองคันตัวอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันเมื่อไสําคันตัวอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยปัญหามันก็ไม่มากความกําหนัดมันก็ไม่มาก ความโลภมันก็ไม่มากความโกรธก็จะโกรธที่อะไรก็มไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดแล้วความหลงจะหลงอะไรอีกก็มไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ใดแล้วก็ต้องไปแถวนั้นเข้า ไ, ไปแถวนั้นก็ไม่ถูกเพราะพุทธศาสนาสนใจในธรรมชนะความส น, สนใจทัางปวงแล้วก็าาทางนั้นธรรมะทางนั้นสินะ ให้ทานอะไรก็ไม่เข้าให้ทำจริงทานรถอะไรก็ไม่เข้ารถของธรรมะฟังอะไรก็ไม่เข้าฟังเสียงธรรมะมันเทศบอกกับแก้กคลีตนเองเนีย่ยประเทศมากมันไม่ยังไงหรอกเนี่ <laughs> ยประเทศมากกับแก้คลีตนเองมันบอกมันเทศบอกเลาปลูก <c oughs> เลือกันเี่นี่กุญชุกกุญชุกที่นี่ใครใครพามาอะไรก็ภาวนาไม่หมดก็ไม่ไหวเพราะหมดเงินแล้วเนี่ยมิถะเเอาไปกินหมดแล้วเงิ น, <c oughs> ดนเดี๋ยวพาคนนั่นเดี๋ยวพาคนนี้โอ้มันยุ่งโลกอันนี้มันยุ่งมากมลงทุนอสองแสนสามแสนจริงๆเราหนําแขงเออไม่ไหวแว คู่มันมีทุนได้ได้และวคู่มันมีทุนว่าจะเอาเงินคืนมาเอาทุนอีกก็ไม่ใช่ทั้งาเออโลกสงสารเป็นธรรมเทศนาหมดใชรทาอะไรก็เป็นธรรมเทศนาหมดพ อ, อกชาวนาก็เป็นธรรมเทศนาขายข้าไม่ออกถ้าขายออกถ้าขายมากก็ไม่พอกินอีกทีนี้เออ โลกมันก็ลากไปลอกมาอยู่ผลของโลกคือทุกข์ของเก่าเนี่ะไม่ใช่รือื่นเนาะคี่บอกครับคำว่าสิ่งสมาธิปัญญาตามอันเนี่ยบางคนก็บอกว่าเราจะต้องรักษาสิ่งที่ก่อน แล้วเราถึงจะต้องทำเราถึงจะทำสมาธิแล้วมันถึงจะเกิดปัญญาแต่คผมว่านั่งคิดดูนะครับว่าไอ้ทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาสามอย่างเนี่ยเวลที่เราทําเนี่ยมันจะเกิดพร้อมๆกันเอออันนั้นน่ะมันถูกมากถูกครั บ, รบผมว่าถ้ามันมันต้องเกิดพร้อมๆกันลนะ่ะถูกเลยอันนั้นน่ถูกมากอันนั้นถูกขึ้นความสงสัยไปด้วยอืม เรานั่งอยู่อย่างนี้เรานั่งแต่นังหรือกระดูกก็นั่งด้วย<笑><笑>เนื้อก็นั่งด้วยอืมันถูกแลี้ยวนั่นแหะถูกมากมัคคะมัคทีเห็นอย่างนั้นละ่ะเวลาเรากําหนดลมให้ใจเข้าออกอยู่นั่นะนะภาณัติบานเราก็ไม่ได้ไปค่าอาทินาทานเราก็ไม่ได้ไปลักการเมียสมิทธายาจารเราก็ไม่ได้ไปมุสาเราก็ไม่ได้พูดโกรธสุราเราก็ไม่ได้ดื่มนั่นแหะตัวศีลอ่ะเอะอสมาธิสมัยก่อนมาตั้งมันในศีล ปัญญากรอบลูกอยู่ในที่นั่น น, น่านสิ้สมาธิปัญญาก็อยู่ที่แห่งเดียวกันฉันทะวิิยะกิตตะวิมังสาก็อยู่แห่งเดียวกันฉันทะพอใจในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิิยะเพียงมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้กิตตะเอาใจพักผ่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสาอันตีตองเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้อันเดียวกันแล้วมีข้อแล้วก็ก า, ายกับจิตเนี่ย ไมแยกกันเวลาที่ชาติสมมติมว่าราชาตินี้เราทํำวิบากกรรมเราไว้มากต่อไปในชาติหน้าเนี่ยเราจะต้องไปใช้วิบากกรรมอันนั้นทวิบากกรรมันนั้นน่ยมันจะเล่นเราได้เฉพาะกายเท่านั้นจิตมันคงเล่นเราไม่ได้เนี่ยถูกถูกอือถูกมันจะเล่นจิตเราเองถ้าจิตสูงกว่ากายแล้วมัเริ่มจิตไม่ได้มันก็เล่นแต่จากจกายเราทําให้เราวถวยผ่านทให้เราเป็นในอยุดตรงนี้ อันธรรมแค่ น, นี้ไม่ใช่ธรรมะต่ธรรมะขั้นสูงแล้วที่นี้มีอีกอันนึงที่ผมยังสงสัยอยู่คือว่ า, าผมไปที่แบบเสาสักตายมีต้นนักสงฆ์อยู่อั น, นหนึ่งเขียนไว้อย่างชัดเจนะวเวลาที่เราจะสิ้นลงไปที่หลงสูงเทศน า, าวามสูเวลาที่เราจะพุร่รลมเนี่ยถ้าเรายึดอั น, นใดไปได้ ยึดอะไรเราก็จะไปสวรรค์ถ้าเราทิ้งจัมเดีเราก็จะส่งตกไปอยู่ในอาบายาภูมิเองถ้าอย่างนั้นเราก็ในสิ่งที่เราทํำวิบากกรรมมาไว้ในชาตินี้มากๆนี่มันก็ไม่เป็นผลส่งตามทำให้เราได้รับวิบากกรร ม, มอย่างนั้นนอกจากเวลาที่เราจะตายเราพยายามยึดให้ดีนะจะได้ไปสวรรค์อย่างนั้นอันนี้ต้องอย่าตั้งใจอยู่อันนั้นหมายความว่า แล้วก็ให้นึกถึงบุญอย่างนั้นหรือเมื่อนึกถึงบุญก็ต้องไปบุญท่านว่าอย่างนั้นครับทีนี้ก็เผื่อว่าคนเรานี่กําลังเจ็บจนจะตายอยู่เนี่ยครับมันจะไม่มีโอกาสที่จะไปนึกถึงบุญกุศลอะไรที่เราได้ทํามาแล้วจะนึกไม่ทันมีคนเจ็บเนี่ยเราจะตายมีคนเอาดอกไม้ถูกเทียนไว้ใส่มือแล้วก็บอกว่านึกถึงพระ อ, อราหันต์ไว้นะนึกถึงพระ อ, อราหันต์ไว้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ อันนี้ผมมานั่งคิดดูผมคิดว่าคงจะไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะว่าบุคคลคนนั้นในชาติมีไม่เคยทำบุญทางศีลโยนไว้ใจไม่เป็นบุญเป็นศีโลโยนน่ะจะไม่ให้นึกตอนตายให้พระอาหารหันต์ช่วยฝ่ายคงที่ว่าคงฝายไม่ได้เนี่ยเขาไม่ได้ทาอะไรเลนเป็นเังไงหรือเป่าเป็นเพราะความเคยชินไม่มีต้องเคยชินไม่มี แล้วจะบอกตาบอดไปสนเข็มในเวลานั้นมันก็สนไม่ถูกเลยไม่ได้ไงเออไม่ได้ครับแต่ว่าดีๆอยู่ยังมันยังไม่สนเจแล้วนี่ยเวลาทั้งจะตายด้วยทางตาบอดด้วยจะไปสนเข็มทําไมถึงจะสนได้นึกไม่ทันยึกไม่ทันหรอกไปยึดไม่เคยทำไว้ก่อนเพราะมันไม่คล้องเพราะมันไม่คล้องอืมไม่ได้มีประโยชน์เลยที่ ความันต่อทีทางอะไรผมดูแล้วมด้ประโยชน์เลยทีีเขอว่าเปลือกคนไมเข้าใจอยู่ข่ามคืออาจะลงินนั่นองคือไม่คุ้มมาได้ได้สร้างอะไรยังก็เปลอเอเป็นอย่นถ้าไม่ได้สร้างอะไก็เปลองัไกม่ได้ไม่ได้้ลนัไม่ต้องสร้างไต้อง้างนะครับเรื่องบวชจูงก็เหมือนกัน คนตายแล้วจึงไปบวชจูงกันจูกได้จูงเอาอย่างนั้นก็ไม่ต้องบวช <c oughs> ไม่ต้องให้ทานนะอืม <c oughs> ใช่ครับถูกไหมครับอืมเรื่องตักบาตรสวรรค์ก็เหมือนกันนกปูไม่ลงครับเขาตักอยู่ทุกวันนี่เขาใส่บาตรทุกวันเนี่เขาใส่บาตรไปในรกดักหลือนนกปู่ก็มีที่แสดงน <c oughs> กปูนึกว่าเออร้านนี้เขาตักใส่บาตรสวรรค์ เ อ, อล้านนี้ก็ใส่บาทพมาโลกล้านนี้ก็ใส่บาทชา้นอวิหะอัตต า, า, าสุสตาสุสติทําให้มันครบสิบหกแห่งหรือ ย, ยี่สิบสี่แห่งแล้วก็ด้านนั่นก็เอและ ท, ที่นั่นก็ทําตักบาทไปตักบาทพระเทวทัตตักบาทพระเทวทัตก็ทาําั้องต้อ ง, องทําถือค้อความ ทำทำรูปไปที่นั่นหรือก้อนพร้อมแล้วก็ทำรูปพระพุทธเจ้าของเราไว้ที่นั่นเองทําหลายแห่งมันก็ได้สตางมากถูกไหมอืมพวกทักบาะสวรรค์เนี่ยพอหลอกเอาสตางเอ่ะอืมแล้วลไปเชือ่ <autres S 1> <ม>อ<ม>ปันญานอืมหลอกคนปอยปัญญาอืมที่ทหวังอยากได้รวยกันเลยเออรื่องขายดอกไม้ยังให้มี ในปฏิบาทาทัติการทศชีลาเรื่อกี้มาเห็่ขายดอกไม้ไมาให้ขายภาพพื้นเดียวผ้าพื้นเดียวขายอยู่มาแล้วเดี๋ยวคล่องทิ้งน ะ, ะนปฏิบัติกาของหลวงปู่มันไั่มีขายภาพื้นเดียวขายอยู่ขายดอกไม้ปฏิบัติกาของหลวงปู่มันก็ไม่มีมาแหย่เราแห้ขายเขาก็หยุดเหมือนกันเพราะพี่นายกรรมมอบให้แล้วพี่นายกรรมมอบ ถึงยังไงอท่านบุรอดองหนึ่งท่านอาจารย์ทีนวนองหนึ่งแล้วก็หลวงพ่อที่อยู่ในวัดนี้องหนึ่งแล้ก็ท่านบุรอดองหนึ่งท่านในบุญกององหนึ่งจงจัดการำชำระภารกิจโดยด่วนไม่ต้องรอไว้ ไม่ต้องให้โยมคนใดคนหนึ่งมาคัดคาดทีนในกรรมของแกแกทำไว้แล้วถึงยังไงก็ให้ศึกษาหลวงปู่ล่าดูเมื่อท่านเห็นสมควรยังไงก็จงทําตามมาติของท่านแล้วก็พูดได้ทีนี้บอกว่าให้ขายคลาถืนขายผ้าอาตมาจะความทิ้งตอนหน้า ที่เขาก็บอกว่าไม่ได้ขายดอกบูชาเออพระขายมันก็เรียกว่าบูชานั่นเองไม่ใช่แนั้ขายดอกไม้จึงจะได้เงินค่าผาศพหายจินแก้มกรรมเยอะเกินไม่เอาถ้าพื้นที่เอาขายไม่ได้จะให้ใครก็ให้ก็ไม่เึ็นมายาช้าเถือ่อนไม่เอาอะไรอย่างนะ ปฏิประทาเขาลบปูมัน ไ, ไหนี่เราไม่กีดความความเจริญออกเรากิดขวามควา ม, เ, เ, าวา ม, วามเสื่อมของพระพิสุกรรมฐานอะไรนะกกรรมฐานจะเสื่อมแต่กรรมฐานไม่เสื่อมไปไหนหรอกผู้ปฏิบัติจะเสื่อมอเลยหมดปัญห า, <c oughs> าเองเฮ้ยยุดกันมูลข้าของเธอยังอยู่ห้าแสนบาท ในวัดนะ่ะแต่ว่าเธอก็เสียนบอกอ้อยไม่เอามาใช่ในงานชาพนกิจจงเอาไว้เป็นเนื้อหนังของวัดซะเธอก็บอกดีเวลาภาคเก็บป่วยมาจะได้ถอนมาใช่ดอกเบียดอกบ้าอะไรก็มาจางเอานี่ท่าอะไรก็ต้องเอากันเท่านั้นเพราะให้เผาเร็วที่สุดแกบอกที่นตยกำลัแกทำอให้เนี้ย แกทำรอบครอบนี้เหมือนกันที่นายกำทำไว้หมดเนะี่ยส่วนผู้ที่จะเป็นเจ้าวัดต่อไปก็ขอให้หลวงพ่อที่อยู่ในวัดนี่แหละหลวงพ่ อ, อย่างก็อนเออหลวงพ่อเปรมส่วนรถนั่นขอให้ช่วยการรักษาให้ดีรถยนต์ รถยนต์ที่ไปตลาดส่วนมูลค่านั้นให้จัดกรรมการอีกสีคนจะเข็ยนพินัยกรรมไว้ที่ฝากครังไว้คั้งนั้นบ้างธนาคารนั้นบ้างธ น, นาคารนั้นบ้างธนาคารนี้บ้างจะฝากไว้ส่วนที่ไปลงพยาบานเปาโลนั้น ได้เอาเงินในที่นี่ละไปไม่ได้ไปหาเอาอข้างหน้าดอกแกก็บอกหมดเงินไปสี่ห้ามื่นกืบแสนโรงพยาบาลปอโรลแกบอกละเอียดดีเคลานเบริสุทธิ์ดีแต่ที่นายรมเราเราทำเลยทาเสร็จแล้ว รันเราสำหรับเราไม่ยากล่ะชูเตียงไปแล้วก็เอากันไปสำหรับเราที่นายทำชูเตียงพี่ที่ทนายทาให้ชูเตียงไปเลยไม่ต้องทงํากระโหลกไม่ต้องทําโลงไม่ต้องทําหิ้วชูเตียงไปที่ริมวัดแล้วก็เผากันเลยแล้วทา ท, ที่นกรทำไปแล้วเสร็จแล้วสองพันห้าร้อสิบห้าเราทำไปแล้ว ที่นายกคุณยังไม่ได้อ่านหรอกไม่อ่านเนี้ยฮะจะไม่ให้อ่านนะคอนเซนความลับเฉพาะตนถ้าอ่านเนี่ยพอลูกหลานจะมาแซงมันจะไม่สําเร็จไม่ให้อ่านหรอกลูกหลานจะขออยู่ลูกหลานจะมาแซงไม่ให้แซงอื อืมไม่ต้งเป็นไม่ต้อเป็นไม่ตักนะเยอะนี่อยู่อุบนมฮะอยู่อุบลรึเออพี่สาวชมสีรอเออชมสีเขาไม่มาเข้าลบตัวไปไหนเนี่ยเออ รถปูแอนปวยมากนะอือโรงพยาบาลที่นีโรงพยาบาลเชีใหม่เลยค่ะโอ้โรงพยาบาลท้องถิ่นน่ะเออโรงพยาบาลทองถิ่นน่ะเออท่านจะสร้างไว้นึ่งเดือนโอ้ท่านจะสร้างไว้ได้เออบนท้องถ่นมากรถปูแอนอายุป่อยเยอะด้วย ทำประโยชน์ก็มากด้วยอายุก็ยืนด้วยทำประโยชน์ก็มากด้วยเออครูบาอาจารย์ก็ไปมากนะี่นักปู่พางก็ไปแล้ว่รรมดีก็ไปแล้วออไปนี ปวนินเสียมน่หล<ะ>นันะปวนิเหรอยัาดีไปไปแล้วหรื อ, อยังยัท่านอยู่ที่ไหน ค, คาําคนิอยู่ห้งเกียงครับข้ามาจากเราเออข้ามาจากเราอยูาาา่ที่ห้เกียง่เมื่อไปตอนนั้นท่า น, นจะอาพาธไมเได้ในท่าในทําเพราะถูกผมเห็นอันเกิมนรืท่านจะมา ท่านมาจากคาตรงนั้นมันงางเดชที่มันตรเดกชมเห็นอันเกิมรู้จักอันเกิมไหมไรู้จักอันเกิมมาเกมไปอันเกิมถูกผมเห็นห <c oughs> อันเกิมยวนเขาเรียกว่ากินอาหารเขาเรียกว่าอันเกิม <c oughs> ใช่ใช่แทนคาว่ายวนอันเกิมมีพระพุทธศาสนาแก้แจงอยู่ในโลกเป็นพอประทางประทางถ้าไม่นันมีพระพุทธศาสนาแก้แจงอยู่ในโลกโลกนี่มันก็น้ำร่างหน้าก็ต้องเอาน้ำลื่ หน้าหุงอาหารก็ต้องหน้าสารพัดนะกลิ่นของโลกก็มีกลิ่นหนิ่นละเพราะฝังกันไม่ทันพเพราะเผากันไม่ทันทีนี่เสียงถามข่าวกันแทนสวัสดีก็คือเสียงปืนสวัสดีคุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณอาคุณน้า คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่คณาคุณตาคุณนายก็คือเสียงปืนเสียงบริกรรมภาวนาก็คือเสียงลยุกระเบิดเสียงสวดมนต์ก็คือเสียงลยุกระเบิเดน อ, บอนอนแล้วมแมลงวันจะเป็นอาหารทิพตเขาจะได้อาหารทิพต เ, เขาไม่ทัน ฟังไม่ทันน้ำที่เราดื่มก็จะปนกับน้ำเลือดเขาก็จะฆ่ากันอยู่ในบ่อบ้าเขาจะทิ้งลงในบ่อบ้าพิษอะไรอะไรเขาก็จะทิ้งลงในบ่อบ้าก็กินไม่ได้อีกก็คลายเรือน้ำเลือดเราดีๆนี่เองน้ำตาจะเป็นน้ำรังน้า อย่างสะอาดออกอ า, ากาน้ำตาแล้วก็เอาน้ำเลือดล้างานะถ้ามมีไม่มีพระพุทธศาสนาเออโลกท้งร้ายไม่ต้องวดดีเลยขนาดโลกยึงเป็นถึงขนาดนี้เพราะต่างก็ประชันขันแข่งขายอาวุธกันอเมริกาก็ขายอาวุธรัตชยก็ขายอาวุธเรื่องขายอาวุธก็คื อ, อยุให้คนฆ่ากันนั่นเองนะ ค่าขายเครื่องประหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นในื้อสัตว์ที่ตัวฆ่าพอเปนอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายข้อถ้าอย่างนี้เป็นข้อห้ามของอุบาสกอุบาสิกาไม่ให้ประกอบสอนโลกบทไม่ใช่สอนแต่เฉพาะประเทศไทยเมื่อพวกนี้ฝ่าฝืนเนี่ยผิดพุทธมามะกะธรรมมามะกะสัมมามะกะหมดแล้วโลกมันก็ตั้งอยู่ยาก มาปีนคำสอนของพุท ธ, ธเจ้าไปเท่าไรก็ยิ่งฟักตัวเหมือนไก่ฟักลูกฟักกองทุกขวีขึ้นพูดน้อยม่หมาขอข่ายพูดหลายก็เป็นโทษพูดที่เขาไม่เรื่องใช้พูดธศาสน า, ษาเขาก็เอากระบอกเหล็กมาให้กิน <c oughs> เขาถือว่าโจมตีเขาเขาเกาปากเหล็กมาให้กินไม่น่าอยากจะอยู่เลยลูกอันนี้เม่น่าอยากจะมาร่วมเขาให้เขาแย่งกันอยู่นี่กว่าเรายิ่งรีบปฏิบัติรีบให้มันพ้นทุกข์ไปครับในชาตินี้ี่าติเอ้ยหงปู่ครับมึงยวนนี่ส่วนหนึ่งเขาับรับสือพุตัลน้ำ แต่เ ป, เป็นทำไมถึงได้โลกนัเกเมตตาราชาปันญย่งคือเขาอยู่เลยชาตนาเป็นชาตนาทั้งไายน้อยทั้งที่สองเป็นที่ชาตนะที่ทิศตอนที่หุ่กลางเกลรับถูกไห้มหาญาณมหาญาณพวกมหาญาณไม่มีพระสดวรรณไม่มีแพทย์รักชาคามีไม่มีพระอนาคามีไม่มีพระอาหนารก็มหายานคใครชื่ตอตนเองว่ามหายานแล้วก็ดูถูกโดมิน พระเดวตะและพระมหากัตปะว่าเป็นพวกนาิยานยานจำพวกนั้นก็เอาผ้าใจจีวรของพระบรมศาสด า, ศาไปตัดกลางเต็มประกาศพระศาสนาขึ้นไปในทางทิศเหนือประกาศพระศาสนาได้เร็วกว่าเพราะคน